เราสมาทานศีล <c oughs> อย่าลืมว่าศีล น, นี่พระพุทธะจ้าท่รงตรัสว่าเป็นเบื้องต้นของพรหมจาัาเราเริ่มชำระกิเลสหัวใจเริ่มมาตั้งแต่ศีลมาระงับที่กายที่วาจารเราขอศีลเสร็จแล้วเรารับศีลขอแล้วรับแล้ว แต่ต้องไปตั้งใจวิรัตงดเว้นถึงจะมีผลมีอนิสง์เราตั้งใจงดเว้นอย่างเดียวเราไม่ต้องขอเราไม่ต้องรับมีอนิสง์เท่ากันเราขอแล้วเรารับแล้วเราไม่ตั้งใจไม่มีอนิสง์ถ้าเราตั้งใจมีผลมีอนิสง์เพราะฉะนั้นใครอยากมีกายสะอาดวายจาสะอาดซึ่งมันมาจากใจสะอาด ให้ตั้งใจชำระด้วยศีลมันขยับจากภาวนาไปก็ไปอยู่เนื้อหากับของธรรมะหูยังไงหูของเรายังไงก็ต้องได้ยินทำความตั้งอกตั้งใจสํารวมระมัดระวังอยู่อย่างนี้ตลอดระยะเวลาที่เราพูดธรรมะสามสิบนาทีสี่สิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงก็ตามหลวงตาท่านว่ามันเป็นการฟังภาคปฏิบัติ มันได้ประโยชน์มากกว่าที่เรานั่งทำคนเดียวท่านฟางกันนะลิ่งยิ่งเรานั่งทำในหมู่มากอย่างนี้ด้วยแล้วเนี่ยทำให้เราได้รับความกิยยิ้มยิ้มย่องให้กับตัวเองได้ดีมากอ่าเพราะเผลอไม่ได้ประมาทไม่ได้นอนง่วงนอนหงายท้องก็ก็น่าอายอเลยเป็นเหตุต้องได้ระมัด ร, ระวังมากเพราะฉะนั้นเราจับไปเลย อานาไปเ้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเราฟังภาคปฏิบัติแนะในขณะเดียวกันเราก็กำหนดจดจ่อตามที่ท่านพูดเสียงอัดเสียงทมเข้าไปเ <c oughs> มื่อเช้าพวกเราก็ใส่บาทถวายจังหันแล้วก็รับพรแล้วก็รับธรรมะไปบ้างไปที่พักเมื่อกี้ก็มีหมูตามไป หมดไปยกใหญ่เหมือนกันไปพูดธ ร, ระที่ห้องรับรองแต่สาหรับท่านที่ไม่ได้ไม่ได้ไปก็นั่งคอยอยู่นี้บางคนก็ปลีกเวลาไปทำงานการที่เราตั้งอกตั้งใจทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการให้โอกาสกับตัวเราคนเราเราให้โอกาสกับตัวเราเราปลีกเวลาให้กับตัวเราอันนี้เป็นผู้ไม่ประมาท เป็นผู้ช่วยโอกาสแล้วช่วยโอกาสอย่างนี้ได้ประโยชน์ช่วยโอกาสเพื่อฝึกฝนอบรมงานหลักของเราก็คืองานทางานงานทำงานเพื่อเพื่อนุนเพื่อนี้เพื่ออะไรตัวอะไรในหน้าที่ของเราแต่งานหน้าที่โดยตรงที่เราควรจับเป็นประจำก็คืองานของใจงานของใจของเราเนี่ยมันมีงานทำเป็นประจำไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยอยู่กับที่งานที่ทำ ประจําในใจของเรากิเลสเราตื่นมามันก็ตื่นด้วยพอเราหลับมันก็หลับด้วยกิเลสในหัวใจของเราของท่านเราตื่นก็ตื่นด้วยเราหลับก็หลับด้วยมันทํางานอยู่นั่นแหละงานของธรรมะนะมันเป็นอีกพลังหนึ่งเนื่องจากว่ากระแสที่ติดมากับผู้รู้ของเรามันมีกระแสสองกระแสกระแสกิเลสกับกระแสธรรม กระแสธรรมก็คือสติธรรมปัญญาธรรมมันเป็นกิริยาการของผู้รู้ของเรากระแสของกิเลสก็คือกระแสกิริยาการของผู้รู้ของเรามันเป็นส่วนที่ไม่ดีอ่ามันเป็นส่วนที่เป็นมลทินติดมากับผู้รู้ของเราเราเกิดมาทุกคนสิ่งเหล่านี้ติดมาด้วยกันทุกคนเป็นธาตุดิบว่างั้นเถอะยังไม่ถูกเอามา มาดัดมาแปลงมาซักมาฟอกถ้าเป็นเพชรถ้าเป็นแก้วก็เป็นเพชรเป็นแก้วที่ยังไม่ได้เกียรไนเรามองไปที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นนายช่างยอดของนายช่างเกียรไนแก้วดวงวิเศษดวงนี้ฝึกฝนอบรมสร้างบุญญาบารมีสีอาสงขยสัยแสนมห า, ากับเราดูสิระยะเวลาเนิ่นนานขนาดนั้น พระองค์ก็สร้างมาจนเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์นับเป็นอสงไขยอสงไขยนับเป็นกับกัพทำไมระยะเวลาเหล่านั้นถึงเต็มไปได้หมดไปได้ความเป็นไปความเป็นอยู่ความเป็นมาของของขอ ง, ของพวกเราในภพในชาตินี่มันมีมากมายมหาศาลถึงขนาดนั้นอย่างพุทธเจ้าท่านสร้างบา ร, รมีสีอาสงไขย์แสนมหากับในที่สุดด้วยปัญญาปัญญาทิการปัญญาบา ร, รมี บุญญาบารมีของพระองค์ก็เต็มเตือนขึ้นมาได้บุญญาบารมีรบเร้าเป็นเหตุที่จะต้องมาโปรดสัตว์โลกใช่ไหมพระองได้มาตรัสรู้มาตรัสรู้กอเลยมารู้รู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงว่าจะมาแยกกระแสกิเลสกับกระแสธรรมเหล่านี้ออกจากกันได้ยังไงก็พระองค์ลราเป็นคนมาเปิดเผยกระแสของกิเลสก็คือมายาชั่วร้ายอยู่ในใจของเราเนี่แหละกระแสของธรรมก็ มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวของตัวมันเองผู้รู้ของเราเนะี่ยมีคุณค่าในตัวในตัวมันเองแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะอุตสาหะความภาคความเพียรอะไรตัวอะไรเไรนี่ยที่พุทธเจ้าทนทรงแสดงมาโดยลําดับอันนี้แหละคือวิธีการตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติแต่พระองค์สร้างมาโดยเรี่ยวแรงของพระองค์อ่าวิธีการอย่างอื่นตามแต่คติตามแต่ สตินิสัยตามแต่ยุคตามแต่คราวที่ยุคนั้นสมัยนั้นจะถือจะปฏิบัติเป็นยังไงไมาอย่างไรเราดูว่าพระองค์มาอุบัติถ้ำกลางาศาสนาพราหมณ์ถ้ำกลางาศาสนาพราหมณ์อัตตาอัตตาอัตตาแต่พระองค์มาโผล่ได้ยังไงอนัตตาอนัตตาเนี่ยผู้ที่เจ้าท่านมาโผล่ได้ยังไงอนัตตาอนัตตาตัวที่มาโผล่ได้นั่นแหละคือตัวที่ปิดบังสติปัญญาของพวกพราหมณ์เขา อ่าปิดบังสติปัญญาของพวกพราหมณพวกพราหมณ์เข้าไปได้นะรู ป, ปรสมาบัติอรู ป, ปรสมาบัติความสงบของจิตฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อรูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เข้าไปถึงละอี้เยดขนาดนั้นนะเขาสามารถไปถึงได้แต่ก็ไปติดตันอยู่แค่นั้นแหละเพราะไม่มีบุญญาธิการเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปฝึกฝนอบรมจนเต็มเปี่ยมแล้วแต่มันก็ยังไม่มีสิ่งใดพอที่จะทําให้เกิดความรู้สึกว่า จะพ้นจากความทุกขไปได้ไหมพระองค์เลยหันมาบําเพ็ญด้วยเรียเร่ยวแรงของพระองค์เองบําเพ็ญไปบําเพ็ญมาก็เข้าหลักอริยสัจสี่เข้าหลักปฏิจจสมุปบาทหลักอริยสัจสี่ก็ตามหลักปฏิจจสมุปบาทก็ตามพระองค์มาทรงเรียบเรียงรำพึงรำพันตามหลังหลังจากที่พระองค์แผลดเผาจนสิ่งเหล่านี้มันเหือดแห้งไปจากพระไทยของพระองค์แล้วอาสวัคพ ย, ยานใช่ไหม ในยามสุดท้ายแห่งราตรีในวันเพ็ญเดือนหกนะวันวิสาขานยามสุดท้ายแห่งราตรีทําให้พระองค์ได้บรรลุอาสวัคยายานมียานอย่างอย่างรู้ว่าอาสวะกิเลสที่ติดมากระแสของกิเลสกระแสที่สิ่งที่เป็นมลทินที่เศร้าหมองที่มากับผู้รู้ของเราเนี่ยเหือดแห้งไปจากขันธสันดานด้วยอํานาจของตปะธรรมที่พระองค์ทรงแผดเผา เห็นไหมทรมานด้วยทุกกระกิริยาก็ทำมาไม่มีใครสามารถทำได้เท่ากับพระองค์ไปบำเพ็ญรูปปัตตมบัติอรูปปัติอบาตก็ทำให้พระองค์บำเพ็ญได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วแล้วก็มาบำเพ็ญทุกกระกิริยาทุกกระกิริยาก็คือบำเพ็ญไปตามนั้นแหละไม่มีกิริยาใดที่ไปเกี่ยวข้อง ก, กับกับการเจริญทางด้านจิตใจมีแต่ไปทรมานกาย ย่างกายบำเพ็ญกายทรมานกายให้กายมันเหือดไปมันแห้งไปให้อะไรไปแล้วจะเป็นเหตุให้ได้บรรลุธรรมมีความเชื่ออยังงั้นในสมัยนั้นมีการฝึกฝนอย่างนั้นมีการเชื่ออย่างงั้นพระองค์ทําไปจนหมดสิ้นแล้วไม่มีท่าทีว่าความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจะหมดไปได้เพราะฉะนั้นด้วยบา ร, รมีจึงดนใจให้พระองค์หันมาบำเพ็ญเพียงทางทางด้านจิตใจอ่าทีแรกก็พุ่งไปข้างนอกไปเพ่งนู้นไปเพ่ง น, น, งนี้ไปดูนู้นไปดูนี้นไปอะไร แต่มันก็ไปจากข้างในคือจิตผู้รู้นะ่ะแต่ไม่เคยหันจ่อมาที่ตัวผู้รู้ดวงนี้พอเริ่มมาบําเพ็ญด้วยใจเท่านั้นแหละเริ่มหันมาจอ่อการที่มาจ่อนี่ด้วยตะปาก็แผดเผามาพอแรงและทรมานมันพอแรงแล้วด้วยความสงบของจิตรูปสมาบัตรูปสมาบัติก็มีเพียบพร้อมอยู่ในภายในแล้วะแต่ยังไม่มีกลไกวิธีใดที่จะเอาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้เกิดประโยชน์ได้ พอพระองค์เห็นหันมาบําเพ็ญโดยลำพังของพระออค์เห็นไหมมันก็เข้าหลักอริยสัจสี่นะเข้าหลักอริยสัจสี่ก็มาจับที่กายจับจับที่กายจับที่รูปธรรมจับที่นามธรรมมาพิจารณาเพราะมันหลงกายห ล, ลงเวทนาหลงสัญญาหลงสังขารหลงปัญญาหลงกายก็พิจารณาถึงกายเห็นที่ไปที่มาของกายหลงเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณคือรูปอะคือรูปคือนามธรรมรู้ที่ไปที่มาของนามธรรมรู้ที่ไปที่มาของขันทั้งห้าทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมโอเป็นมาจากกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยบางอย่างบางเรื่องพระองค์มารำพึงรำพันตามภายหลังแล้วก็มาเรียบเรียงเพื่อให้เป็นหลักเป็นฐานเพื่อเราจะได้ดำเนินตามได้ เหมือนอย่างหลักปฏิจจสมุปบาทพระองค์ทร ง, งมาเรียบเรียงอทรงมาไตรตรองใคร่ครวนพิจารณาอตอนสมัยที่พระองค์งสวยวิมุติสุขเห็นไหมพระองค์งมาพิจารณาเป็นหลักตามเส้นตามสายที่ตั้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนู่นเริ่มต้นมาตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิด สลายยานะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเป็นปัจจัยเกิด้เกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเป็นเส้นเป็นสายมาน่ะปฏิจจสมุปบาทสิบสองเราไปดูให้เราไปดูทั้งสายเกิดให้เราไปดูทั้งสายดับสายเกิดก็คือสายตัณหามันเกิดอวิชชากิเลตตัณหาอวิชชามันอันเดียวกันอาสวะกิเลตตัณหาอวิชชามันเกิดขึ้นจากโมหะคือความหลงอันเดียวกันหมด เกิดขึ้นในจิตดวงเดียวกันเราไม่ต้องไปสงสัยเรามัวแต่ไปแยกแยะตามสับตามแสงเราก็เกิดความงงแล้วก็ไปตีกันแล้วแยกแยะยังยังไม่ทีอันนั้นมันขัดกับอันนี้อันนี้มันขัดกับอันนั้นดูไปที่ใจเราดูไปที่ใจสายเกิดคือสายตัณหามันเกิดอสายตัณหามันเกิดตัณหามันเกิดมันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงเพราะมันมีอวิชชามันปิดบังเมื่อมีอวิชชาปิดบังแล้วสังขารมันก็กอดตัวใช่ไม สังขารมันก่อตัวขึ้นมาสังขารรูปธรรมเราดูสังขารรูปธรรมเราได้สังขารรูปธรรมมาจากท้องแม่อ า, อาศัยธาตุพ่อธาตุแม่ไปผสมกันกับผสมกันในท้องแม่อาศัยธาตุพ่อกับธาตุแม่ผสมกันในท้องแม่เป็นน้ำใสๆเป็นน้ำข้นๆเป็นเหมือนกับ น, น้ำล้างเลือดเป็นเลือดข้นๆเป็นก้อนเลือด เ, เ, เป็นก้อนเนื้อ ขยับมาเลือ่อยขยับมาเรื่อยเป็นปัญจสาขาครบอวัยวะสามสิบสองแปดเดือนเ้าเดือนก็ออกมาคลอดออกมาที่ไปที่มาของรูปรธรรมที่ในระยะ ใ, ใกล้ๆที่เราพอจะมองเห็นที่ระยะไกลออกไปอีกเราเราดูให้เลยนั้นไปธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ไปผสมกันอยู่ในท้องแม่ได้ยังไงดูไปที่ใจของพ่อของแม่มีความอยากไหมดูไปที่ใจของพ่อมีความอยากไหม ดูไปที่ใจของแม่มีความอยากไหมจนเป็นเหตุให้เกิดธาตุทั้งสองธาตุไปผสมกันอยู่ในท้องแม่ผลนไหมพ้นจากอานาจของตันหาไหมตันหามีอยู่ในหัวใจของพ่อของแม่พ่อแม่ท่านก็อุบัติมาเหมือนกับเราเนี่ยแหละอุบัติมาจากท้องท้องของแม่พ่อของแม่ตาปู่ย่าแต่ยาก็อุบัติมาจากท้องแม่ของท่านเหมือนกันเป็นเส้นเปลี่ยนสายนี่คือกระบวนการของตันหาแต่ตันหานี่มันเป็นตันหาใหม่ ตันหาใหม่มันเกิดขึ้นมาเพื่อสนองเพื่อสนองเป็นลูกเป็นเหล่าเป็นกอเป็นหนอเป็นแขนงที่มันที่มันที่มันจะสืบเชื้อสือบพันพดำรงเผาพันเข้ามันอยู่สืบเนื่องต่อไปนะของเก่มามันส่งมาแล้วของใหม่มันพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาอกีกตามกระบวนการของปฏิจริยาการปฏิจจสมุกบาทนี่คือเป็นเหตุให้ตันหาใหม่มาเกิด ปัญหากล่าวมันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อลู้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่กับการโบราณชาติไหนเราก็รู้จักไม่ได้เราดูไปที่เรารู้จักไหมรุ่นย่าท่านก็ไม่ส่งชี้ชาติว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่พระองค์ทรงตรัสไปที่อวิชาาชาอวิชชาคําว่าอวิชชาตัวนี้เลยเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมเราพิจารณาย้อนไปที่อดีตอวิชชาในส่วนอดีตมันคงจะ พัฒนามาได้ยังไงเราก็ทราบไม่ได้ว่าตัณหานี่มันพัฒนามายังไงเราก็ไม่ทราบนี่คืออวิชชาส่วนอดีตเรามาดูอวิชชาส่วนปัจจุบันอวิชชาส่วนปัจจุบันท่านทั้งหลายที่ท่านเป็นนักภาวนาเราท่านมากําหนดจดจอด่อดูลงไปขณะใดเวลาใดที่สติท่านไม่อยู่กันเนื้อคั่วอวิชชาครอบงํำไหมอวิชชาครอบงําพออวิชชามาครอบงําำทําลายสติของท่านปั๊บ เอาจิตของท่านไปใช้เรื่องนู้นไปใช้เรื่องนี้ไปทํานู้นไปทํานี้ก่อกวนก่อตั ว, วให้เกิดสังาขารขึ้นมาแล้ ว, วกว่อตัวให้เกิดสังขารขึ้นมาแล้วในส่วนที่เป็นอดีตท่านก็บอกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารรูปธรรมกันนามธรรมของเราอ่มามาเกาะกลุ่มกันด้วย อ, าอํานาจของตัณหาอุปาทานเรามีท่ารู้มาด้วยเหตุที่ท่ารู้เราไม่บริสุทธิ์นี่เอง กลายเป็นกองสังขารอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเราทำความเข้าใจคาว่าสังขารก่อนสังขารคือสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปมารวมกันมาประกอบกันท่านเรียกว่าสังขารเขียนอย่าง้ารู้ทารู้ของเราประกอบกับกนุบายมายาของกิเลส ท, ที่มันเคลือบแฝงมาด้วยกันกลายเป็นสองไปแล้วกลายเป็นกองสังขาร สังขารตัวนี้ไม่เคยคงอยู่กับที่พัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยนี่คือการพัฒนามาของของนามธรรมาเรามาดูกองสังขารที่เป็นรูปธรรมกองสังขารที่เป็นรูปธรรมในท้องแม่ของเรานับตั้งแต่ธาตุพ่อธาตุแม่ไปประกอบกันในท้องแม่สังขารเหล่านี้เคยคงที่เคยอยู่กับที่ไหมไม่เคยคงที่ไม่เคยอยู่กับที่ใครมีความสามารถขนาดไหนก็ตามไปกระไปเกณฑ์ให้เขาอยู่คงที่เขาก็อยู่คงที่ไม่ได้สังขารเหล่านี้จะต้องขยับ เปลี่ยนตัวเองไปเปลี่ยนตัวไปเรื่อยเจ็ดวันเจ็ดวันที่หนึ่งเจ็ดวันที่สองเจ็ดวันที่สามเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนเป็นรูปเป็นร่างครบอวัยวะสามสิบสองแล้วก็ออกมามีส่วนไหนที่เขาคงอยู่กับที่ไม่มีภาวะเหล่านี้แหละเป็นมันเป็นภาวะของสังขารมันไม่คงที่มันไม่คงที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบตรญัตเรียกให้มันเข้ากับหลักไตรลักษณ์ว่าไม่คงที่ขื่อ ทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทุกขังกับอนิจจังนเนี่ยเนี่ยมันเป็นสภาพที่มันจะต้องเปลี่ยนไปที่เรียกว่าไตร ล, ลักษณะสามอย่างลักษณะของสามอย่างลักษณะไตรลักษณะสามอย่างลักษณะสามอย่างเป็นลักษณะที่มีกำกับอยู่กับสังขารทั่วๆไปให้เราทําความเข้าใจทําความเข้าใจว่าสังขารคือสิ่งประกอบกันตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปไม่เคยคงอยู่กับที่ เราดูเหมือนกับตึกรามบ้างบ้านช่องสองสิ่งของที่อยู่รอบข้างตัวเรามันคงที่แต่ถ้าวันคืนล่วงไปเป็นกลับเป็นกันมันก็เสื่อมมันก็ละลายมันก็สาบสูญหายไปพังไปพินาศไปหมดไม่มีอะไรคงเหลือสักอย่างแม้แต่โลกทั้งก้อนก็ยังเสื่อมละลายหายไปหมดได้เหมือนกันเป็นก้อนแหะินแท่งทึบสิลาขนาดไหนก็ไม่มีอะไรอยู่คงที่ต้องเสื่อมสลายไปหลังจะว่าอะไรแข็งที่สุดเหล็กกล้าละ่ะ ช่วงระยะเวลาโน้นนานต่อไปในการข้างหน้ามันก็จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นอย่างอื่นไปไม่มีกองสังขารใดที่เคยอยู่คงที่ลักษณะอันนี้ท่านให้เรามองมาที่รูปธรรมที่นามธรรมของเราแล้วเราจะเกิดประโยชน์จะทําให้เราไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจนี่คือความเปลี่ยนแปลงไปของสังขารสังขารไม่เคยอยู่กัที่สังขารไม่คงที่เนี่ยที่ท่านเรียกว่าทุกขงังสังขารเปลี่ยนไปท่านเรียกว่าอานิจจัง อนิจจังยังไงทุกขังก็อย่างงั้นทุกขังยังไงอนิจจังก็อย่างงั้นก็เพราะมันทนอยู่ไม่ได้มันเปลี่ยนไปก็เพราะมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันถึงทนอยู่ไม่ได้ท่านจึงว่าจะว่าอนิจจังก็ใช่จะว่าทุกขังก็ใช่ออนิจจังยังไงทุกขังก็อย่างงั้นทุกขังยังไงอนิจจังก็ย่างงันทั้งอนิจจังทั้งทุกขังไม่มีใครไปเกณฑ์ให้เป็นอื่นอย่างอื่นไปได้ด้วยเหตุที่เราไปเกณฑ์ไปบังคับบัญชาให้เป็นอื่นไปไม่ได้ พระองค์จึงทรงตรัสว่านั่นแหละคืออนัตตาอนัตตาอนัตตามันมีภาวะที่เรากะเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้ท่านเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ว่าศูนย์มองไม่เห็นมีสภาวะให้เรามองอยู่แต่สภาวะนั้นมันหักเปลี่ยนแปลงไปตามกฎไปตามหลักของธรรมชาติเราจะเอาจิตผู้รู้ของเราไปคิดไปกะไปเกณฑ์ไปดัดแปลงกะเกณฑ์ดัดแปลงไม่ได้ เราไปกะเกณฑกับสิ่งใดเราก็ทุกข์กับสิ่งนั้นกะเกณคนนันให้ถูกใจเรากะเกณฑงานนี้ให้ถูกใจเรากะเกณฑเรื่องไันถูกใจเราโอ้ร้อนเกินไปมันน่าจะเย็นพอดีพอดีโอ้ยหนาวเกินไปโอ้ยน้ำมากเกินไปเราไปกะเกณให้ถูกใจเราไม่มีอะไรที่เราจะกะเกณฑ์ให้ถูกใจเราได้สักอย่างเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาตามสภาพที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงในแง่งของการตั้งใจปฏิบัติเพื่อกําจัดความทุกข์ออกจากหัวใจ ท่านให้ดูหลักความเป็นจริงที่เรารู้ที่เราเห็นที่เราเข้าใจอย่าเอาผู้รู้ของเราไปดัดไปแปลงไปไปดัดไปแปลงเพราะเอาผู้รู้ของเราไปดัดแปลงอะไรไม่ได้สักอย่างนะเพราะมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังแล้วก็เป็นอนัตตาตามภาวะที่มันมีที่มันเป็นมันหากมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอ่านะมันมัน มันหามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราดูสังขารมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราดูเรามาดูเหตุปัจจัยของสังขารเสก่อนเหตุปัจจัยสังขารของรูปธรรมที่เกิดในท้องแม่มันก็มาจากนามธรรมาคือใจดูไปที่ใจแล้วก็ย้อนไปย้อนไปย้อนไปโอ้ยเห็นอันนี้เห็นอวิชชามันปกคลุมหุ้มหอ่อเป็นเหตุก่อการขึ้นมาให้เกิดกองสังขารเน่ะเรารู้ที่ไปเรารู้ที่มาชี้ไปให้ชัดได้ไหมเราชี้ชัดไปทีเดียวก็ไม่ได้ เรามาดูตัณหาในหัวใจของเรามันมีเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นตัวเป็นตนไหมตัณหาคือความอยากในหัวใจของเรามีตัวมีตนไหมไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีกิริยาอาการให้เรารับรู้รับทราบได้อยู่เราย้อนเข้าไปเราจะเห็นได้เลยความอยากในหัวใจของเรานั่นแหละที่ฉันเรียกว่าตัณหาวิธีการหัดดูตัณหาในหัวใจของเราเราก็ดูไปที่ความอยากเราจะเราจะรู้จักว่าความอยาก ตามอำนาจของธรรมหรืออยากตามอำนาจของกิเลสเราก็ดูให้เห็นความอยากซะก่อนเสร e ็จแล้วเราค่ e e h, อยมาแยกแยะว่าโอ้นี่ความอยากโดยธรรมโอ้นี่ความอยากโดยกิเลสความอยากโดยกิเลสเราก็พยายามใช้สติกำหนดจดจ่อพิจารณาเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นความอยากโดยธรรมโอ้อันนี้เป็นความอยากโดยธรรมให้เราตั้งอกตั้งใจตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติอันนี้เป็นความอยากโดยธรรมเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติอ่า มันเป็นเหตุที่เราสั่งสมอบรมเพิ่มพูนทวีคูณมีกําลังมากๆแล้วจะเป็นเหตุจะเป็นเหตุห ต, ต้านกระแสของกิเลส ท, ที่จะมาทับทั่วหัวใจของเราให้เราหัดดูไปที่ความอยากในหัวใจของเราย้อนเข้าไปดูความอยากในหัวใจของเราหากมันดีดดิ้นทุกขณะของจิตถ้าเราไม่ระมัดระวังด้วยแล้วเนี่ยทุกขณะของจิตมันจะดีดดิ้นออกมาเพราะฉะนั้นท่านจึงรุ่ยยะท่านจึงทรงตรัสว่านาัตตันหาสมาณที แม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีความอยากในหัวใจอะไรถึงจะมากมายปบ น, นั้นแม่น้ำหาสมุทรอ่ะไม่มากเท่ากับตันหาในหัวใจของเราทําไมพระองค์จึงทรงตรัสอย่างนั้นก็เพราะมันเกิดได้ทุกขณะทุกริยาอาการจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันเป็นเป็นไปตามอํานาจของความอยากเท่านั้นแต่ขอให้เราพยายามคิดดูให้ออกแยกให้ออกว่ามันอยากด้วยอํานาจของกิเลสหรือว่ามันอยากด้วยอํานาจของธรรม แต่หากเราขมีขมันตั้งอกตั้งใจเพื่อที่จะรักษาศีลประพฤติทมปฏิบัติธรรมด้วยแล้วมีความอยากมันก็อาจจะมีมักมีกิริยาของการอบรมมักเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็จะเป็นกิริยาการของธรรมแต่ถ้าหากเราไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้และความอยากทั้งหมดเหมือนกับมันเกิดขึ้นอย่างอิสระเสรีที่สุดไม่มีกรอบไม่มีขอบไปจํากัดขีดขั้นให้กับมันตัณหามันก็สนุกเนะ่ะแสดงมาลักษณะยังไงก็ได้ มันไม่มีตัวเฮริไม่มีตัวโอตปะไม่มีตัวความรับผิดชอบว่าว่าพิษหรือชอบหรือชั่วหรือดีไม่มีการรู้การรับผิดชอบอ่เพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังการศึกษาการตั้งใจฝึกฝนอบรมจึงเป็นเรื่องได้เปรียบเหมือนอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังได้ฝึกฝนอบรมได้ฟังข้ออัดข้อธรรมจากครูบ า, าอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านทรงใช้คําว่าปุถุชนไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเนี่ยปุถุชนไม่ได้ยินไม่ได้ฟัง ปุถุชนหมกอยู่ในโลกไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเสียงอัดเสียงธทรำรย่อมยึดถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นเราเป็นอัตตาตัวตนของเราเป็นของของเรามีการยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนั้นแหละยึดมั่นในเหตุที่เป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์ได้รับกองทุกข์ปุถุชนไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคนที่ได้ยินได้ฟังและเกิดความรู้สึกเนือ้อรู้สึกตัวตื่นเนือ้อตื่ น, ต, นตัวขึ้นมา เราฟังดูสาวกครั้งพุทธการท่านได้อัดได้ทำจากการได้ยินได้ฟังทางนั้นฟังดูเแต่พระปัญจะวัคคีทั้งห้าพุทธเจ้าท่านทรงแสดงทำมาให้ฟังเป็นเทศกันแรกเราฟังดูอ่าพอแสะดงทำม้จากกับยรณสูตรจบพระอัญญาโกนทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมคือพระอัญญาโกณทัญญาทร ง, งกระแสจิตไปตามกระแสธรรมของพระพุทธเจ้าอ่ากระแสจิตของท่านละเอียดลึกเข้าไปถึงหลักของเหตุ ของปัจจัยของสัจธรรมด้วยหัวข้อธรรมที่ว่ายังกินจิสมุติยะธรรมังสัพปัญตังนิโรธาธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่าไม่มีตัวมีตนมีตัวมีตนวไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีตัวไม่มีตนใช้ชื่อเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่มันมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นอ่และก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะ มันดับเพราะมันดับเหตุดับปัจจัยพระัญญากรธัญญาได้ฟังแค้นิโอ้เข้าถึงหลักของเหตุของผลที่เรียกว่าสัจจะเข้าถึงสัจจะทำอย่างแท้จริงนี่เป็นกระแสธรรม ท, ที่พระรัญญาโกรธัญญาได้เข้าถึงขั้นแรกพระพุทิยจาท่านรู้เกณฑ์ว่าโอ้พระรัญญาโกรธัญญะมีกระแส จ, จิตละเอียดยังรู้จิตใจเป็นไปตามกระแสธรรม ท, ที่เราแสดงธรรมไปจนพระพุทธเจ้าอุทานออกมาอัญญาสิวัตโโบกนันโย ัญญาสิวัตโพโกนัญโยัญญาสะัญโยญอะโกนธัญญะรู้แล้วหนอโกนธัญญะรู้แลหนอรู้แลหนอเหมือนกับว่าเป็นผลงานชิ้นแรกที่พระองค์เป็นประจักษ์ยพยานของพระองค์เอาธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนะี่ยมาพูดให้คนอื่นฟังคนอื่นสามารถฟังแล้วได้ผลพระยาโกนธัญะจิตใจ เ, เข้าถึงกระแสธรรมด้วยด้วยอุบายธรรมที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิงนะั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาชาัดเจนแจ่มแจ้งอยู่ในหัวใจอ่าที่จะเรียกว่าใจเข้าถึงธรรมใจเข้าเข้าถึงกระแสธรรมนี่พระัญญากวนธรรัญญะแต่วัปปะพัทธิยะมหานามอาสชัชิเพียงทําให้เกิดความเริ่อมใสศรัทธาพระองค์ก็ทร ง, งแสดงธรรมอีกวันที่สองวันที่สามวันที่สี่พอครบวันที่ห้าได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทั้งหมดคือตะล่อมแล้วตะล่อมอีกอสอนแล้วสอนอีกดูแต่ขั้นสุดท้าย ต้องฟังธรรมะตล่ามาตั้งสามสี่วันสามสีนะ่ครั้งกว่าจะได้แต่พระอัญญาโกนธัญะญท่านได้กรมู่นะ่พอได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมดพระองค์ก็ทรงแสดงทรงเทศธรรมะที่เป็นหลักอีกข้อหนึ่งที่เรียกว่าอนัตตะลักนาสูตรเพราะอนัตตะลักนาสูตรนั้นเวลาคนได้ยินได้ฟังฟังเข้าไปแล้วเนี่ยมันถึงที่สุดของสัจธรรมทั้งหลายทั้งปวง ถือที่สูงของสั์จะธรรทั้งหลายทั้งปวงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าก็พูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตามัอ น, นอืนอนัตตาลัคณาสูตรออนัตตาลัคนาสูตร อ, อ น, าตานัตนาตาอนัตตา อ, อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีสภาวะทําให้ให้เราเห็นอยู่แต่มันไม่อยู่ในท่าทีที่จะเราบังคับบัญชัยเป็นไปตามใจหวังได้เราไม่อยากแก่ มันก็ไม่แก ja, ่บังคับไม่ให้แก่มันก็บังคับไม่ได้บังคับไม่ให้เจ็บมันก็มับังคับไม่ได้บังคับไม่ให้ตายเราก็บังคับไม่ได้นั่นที่เราว่าไม่อยู่ในสภาพที่เราจะบังคับบัญชาได้บังคับบัญชาอารมณ์ภายในใจของเราอืบ <The media> ังคับไม่อยากไม่ให้มันอยากในรูปก็บังคับไม่ได้ไม่ให้มันอยากในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็บังคับไม่ได้มันมีตัวอีกตัวหนึ่งที่เราบังคับไม่ได้คืออํานาจของความอยาก จิ้มไปที่ความอยากเห็นไหมโอ้ความอยากตัวนี้แหละนี่อํานาจของตันหาอํานาจของตันหานมันทําให้อยากให้ดิ้นรนให้ทะยอทยานไปทุกอย่างแท้ที่จริงมันก็เกิดจากขณะจิตดวงนี้เองอํานาจของความอยากความดิ้นรนความทะยอทะยานนี่เองภายในจิตของเราท่านจึงให้สงบระงับวิธีการปฏิบัติท่านจึงให้สงบระงับสงบระงับก็คือสมถะสงบระงับเข้ามาก็คือสมถะจิต เราเคยปล่อยจนเขาเคยชินเขาจะล่องลอยไปกับรูปกับเสียงกับเปลี่ยนกับรถกับสัมผัสเสร็จ แ, แล้วเขาก็เสพเสพเข้ามาดีใจเสียใจเป็นผัสสะเป็นเวทนาเขาก็เขาก็ได้ทับความรู้สึกอยู่อย่างนี้แหละตลอดอ่าเห็นสิ่งนู้นชอบใจดีใจเห็นสิ่งนี้ไม่ชอบใจไม่ดีใจเห็นบางสิ่งบางอย่างก็เฉยเฉยแต่มันเฉยๆเพื่อจะดีใจเพื่อที่จะเสียใจอ่าตราบใดที่มีดีใจตราบใดที่มีเสียใจ ตราไม่ตรบใดที่ยังมีเฉยๆยังมืดดึ๊บอยู่ยังไม่มีปัญญาเข้าไปตัดสินมันพร้อมมันพร้อมที่เจ้าตัญหาจะแสดงทิศแสดงเดชออกมาให้ปรากฏอืแสดงทิศแสดงเดชออกมาให้ปรากฏเพราะฉะนั้นท่านจึงพยายามพยายามกําจัดตรงนี้ท่านจึงให้สงบระงับซะอ่าในเมื่อมัน เ, เคยเกิดความยินดีจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสจากอารมณ์ที่จิตมันเข้าไปรอบรู้ ให้สงบมาอยู่กับอารมณ์เดียวท่านจึงให้เราภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธสมาหังสมาหังแล้วแต่เราจะว่าพองนอยุบหน้อยพองน้อยุบนออารมณ์ใดก็ตามที่ที่ท่านให้เราจับเราจับไว้เถอะอารมณ์ที่เป็นกายที่เป็นเวทนาที่เป็นจิตที่เป็นธรรมซึ่งเป็นอารมณ์ของมหสติปัฏฐานให้เราจับไว้เถอะให้สติมันโร้อยอยู่ในนั้นแหละตัณหามันจะแทรกเข้ามาไม่ได้เมื่อตัณหาแทรกเข้ามาไม่ได้ตาเห็นรูป มันก็สัมผัสว่าเห็นความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดแต่มันพร้อมที่จะเกิดนะรับปล่อยเมื่อไหร่มันพร้อมที่จะเกิดมันยังไม่คงที่มันยังกำเริบอยู่รับปล่อยไม่ได้หูได้ยินเสียงปล่อยไม่ได้กำเริบจมูกดมกลิกล่นลิ้นลิน้มรสหรือสัญญาอารมณ์มันล่วงไปเป็นรูปสัญญาเป็นเสียงสัญญาเป็นสัมผัสสัญญาเป็นอะไรต่ออะไรที่เป็นเรื่องของสัญญาที่มันฝังรกรากตกค้างอยู่ในหัวใจของเราถ้าหากเราไม่ระมัดระวัง ตันหามันแทรกเข้ามาได้ง่ายๆตันหาแทรกเข้ามาได้ง่ายๆท่านยิงให้สงบระงับอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมพุโทโธพุโทโธหรือไม่กับธรมโมธรมโมหรือไม่กับสังโฆสังโฆแต่ลักษณะของจิตที่เราดำรินี้มันเป็นการปลุกจิตของตัวเองให้ตื่นรู้อยู่เรายิ่งปลุกเท่าไหร่เราเอาสติปลุกเอาสัมมิัญยะปลุก เรายิ่งปลุกเท่าไหรผู้รู้ของเราก็ยิ่งตื่นยิ่งปลุกเท่าไรผู้รู้ของเราก็ยิ่งตื่นตื่นจากอะไรตื่นจากความหลงไปตามอารมวิ่งวุ่นไปกับอารมณ์ท่านใช้อีกคําหนึ่งท่านว่ามันหิวอารมณ์จิตมันหิวมันไม่ใช่กายหิวมันเป็นจิตหิวหิวอารมณ์ความอยากเนี่ยมันเป็นอํานาจของตัณหาคือความอยากมันพาเราหิวความอยากในหัวใจมันพาเราหิวเพราะจิตดวงนี้มันพา จดดีดดิ้นไปตามอำนาจของความอยากเป็นกับการปุเรชาติเรารู้จักไม่ได้เราทราบไม่ได้มีใครระลึกย้อนหลังได้บ้างว่าเราเกิดมาตั้งแต่กับการปุเรชาติตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเราเระลึกไม่ได้หากมันสั่งสมตัวเองมาอยู่อย่างนั้นที mm hmm. นี้เบื้องหลังนั้นเราจะสั่งสมอบรมกันมามากน้อยเท่าไหร่การหัดใช้สติใช้ปัญญาการหากการหัดใช้เจริญสมถะวิปัสสนาเราเจริญมาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่เราก็ทราบไม่ได้ แต่ถ้าหากใครมีบุญญาบารมีวาสนาดีก็ทําได้ง่ายหน่อยโอ้คนที่เคยสังสมอบรมมามากใครดึงยากทํายากได้ยากอะไรยากดูเหตุปัจจัยที่ปัจจุบันจากนั้นเราก็ดูไปโอ้เรานี่ยเาคงจะสังสมอบรมมาน้อยแต่เราก็บินมีบุญวาสนามาด้วยกันนั่นแหละเราอย่าไปตำมิติเตียนแล้วก็โทษให้กับจิตใจของตัวเองมีแต่ที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับจิตใจของเรา เพื่อที่เราจะได้เล็ดลอดออกไปได้เราจะไปตำมิติเตียนอย่างเดียวโดยเราไม่หาข้อปฏิบัติเพื่อช้าเพื่อล้างเพื่อขัดเพื่อเกา่าเพื่อทจะขยับตัวเองให้พ้นจากตรงนี้ไปขยับไปไม่ได้หมายความว่ามันยังไม่ยังไม่ก้าวยังไม่ได้พัฒนาอ่ามันไม่เป็นเหตุเกื้อกูลแก่จิตดวงเดียวของเราโมาทิบันั่งตำมิติเตียนอยู่นั้นไปไม่ถึงไหนไปไม่ถึงไหนแน่แน่เพราะฉะนั้นเราต้องได้ยินได้ฟังอ่าฐานก็ตล่มเข้ามาศีลก็ตล่มเข้ามา ทำใจให้สงบเพื่อให้จิตที่มันเคยวิ่งว่อนไปกับรูปกับเสียงกับผีกับรถกับสัมภัรให้มันสงบอยู่กับอารมณ์เดียวจิตสงบมีวิตกมีวิจารหนักๆเข้าจิตจะมีปีติจะมีความสุขพยายามนำรองอยู่ให้ครบวงจรแค่นี้ปฐมฌานเกิดขึ้นกับเราเราฟังดูเราพิจารณาดูแล้วความสงบความสงบทางนี้ไม่ใช่สงบเหมือนก้อนหินไม่ใช่สงบเหมือนต้นเสา มันเป็นความสงบรวมผู้รู้อยู่มาอยู่กับความระลึก ร, ร, ร, ร, รู้พุโทโธพุโทโธมีผู้รู้ตื่นโรูอยู่นั่นนะไม่ใช่ว่าไม่มีผู้รู้ไม่ใช่เหมือนสลบสลายหลับสนิทไปเลยไม่ใช่สมาธิสมาธิแปลว่าจิตเราพร้อมที่จะทํางานจิตตั้งมั่นคือจิตสงบจิตสงบนี่แหละ ท, ที่เรียกว่าสมถสมถะสมถะสมถะของพระพุทธเจ้านั้น เป็นสัมมาสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิอ่าไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิสัมมาสัมมาสัมมาสัมมาสติมีสัมมาสติอยู่ในนั้นความสงบของเราเนี่มีสัมมาสติอยู่ในนั้นทําให้จิตได้รับความสงบสงบโรออยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธหรือธรมโมธรรมโมธรรมโมหรือเราจะมาเจริญมหาสติระลึกรู้กายตามดูกาย ตามดูเวทนาตามดูจิตหรือดูกายแล้วก็ย้อนมาที่จิตดูเวทนาก็ย้อนมาที่จิตดูจิตแล้วก็ดูไปที่เวทนาดูไปที่เวทนาแล้วก็ดูมาที่จิตกําหนดจดจ่ออยู่อย่างนี้กําหนดจดจ่อเพื่ออะไรเพื่อให้มันทันตันหาแท้ที่จริงจิตของเราสงบนั่นตันหาแทรกไม่ได้สงบด้วยอํานาจของสมถะนั่นแหละตันหาแทรกไม่ได้คําว่าตันหาแทรกไม่ได้ในทีนี้หมายความว่าเป็นตันหาใหม่ ตัณหาใหม่ที่มันจะเพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันถูกเราสกัดลัดกั้นอยู่แล้วให้เห็นสักแต่ว่าได้เห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอ่าตัณหามันโผล่ขึ้นมาไม่ได้เวทนาก็สักเท่ว่าเวทนาพัทธะก็สักเท่ว่าผัทธะเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนายินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดตัณหาก็ไม่เกิดพัทธะไม่เกิดไอ้ัณไอ้เวทนายินดียินร้ายไม่เกิด ตันหาไม่เกิดหมายถึงตัวตันหาใหม่ตันหาไม่เกิดเมื่อตันหาไม่เกิดอุปาทานก็ไม่เกิดนี่คือในปัจจุบันเราพิจารณามาอย่างนี้เราจะเห็นว่าการเกิดด้วยเส้นด้วยสายของมันตันหาไม่เกิดตันหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพไม่เกิดชาติไม่เกิดนี่เราเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนที่เรานั่งนั่งยืนยืนอยู่นี่แหละมันพานึกพาคิดพาวิ่งวุ่นทำทํากรรมอยู่ข้างในนั่นแหละแต่ถ้าเราสำรวมระมัดระวังได้ เราก็จะตลอมเข้ามาอยู่ในข้อปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยอยู่้วยอานาจของความสงบจิตที่ได้รับความสงบนะเป็นจิตที่มีกำลังจิตจะมีพลังของความสงบมีสติมีสัมผัสัญญาที่สมบูรณ์มีความรู้พิเศษมีคุณนัพพิเศษมีความอัศจรรย์พิเศษมีความสุขพิเศษมีความสุขที่บริสุทธิ์มีความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าไม่จาเป็นปจะต้องมีความสุขจากเห็นสิ่งน้นได้ยินสิ่งนี้พอใจกับสิ่งนู้นพอใจกับสิ่งนี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากไม่ประกอบด้วยการยินดีการยินร้ายเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากอารมณ์คือตัณหากิริยาของตัณหามันสงบตัณหาสงบทำให้จิตของเรามีความสุขเป็นความสุขที่บริสุทธ เราพยายามระมัด ร, ระวังประคับประคองอยู่ให้อยู่กับวิตกวิจารณ์ทั้งๆที่เรารู้อยู่นี่แหละดํมริอยู่นี่แหละพุทโธวิจารนะครับประคองไปประคองคําว่าพุทโธเอาจิตเอาสติของเราประคองไปพุทโธ ป, ป, ประคองไปพุทโธประคองไปนะประคองไปประคองไปเรื่อยๆประคองไปเนืองๆจิตมันไม่ไม่เล็ดลอดไปนึกไปคิดไปอะไรอย่างอื่นจิตคือจะเริ่มสงบคือสงบอยู่กับคําบริกรรม แค่นี้มันก็จะเริ่มได้ผลแล้วจะหน่อยหนึ่งจะมีปีติจะมีความสุขเพราะเขาละเอียดลึกเข้าไปมากกว่านั้นเขาจะไม่ดำริคำว่าพุทโธมันอิม่มอิ่มคำดำริแล้วจะอยู่แต่กับคำว่าปีติมีความเอิมอีบเอิบอิม่มถึงไม่ดำริจิตก็ไม่ไปไหนจิตก็สงบไม่เดือดด้อนไม่อยากไม่วิ่งไปตามอารมณ์แสดงว่าความสงบของเรามันเลื่อนชั้นไปทิ้งวิตกทิ้งวิจาร ไม่ต้องดำริคำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่กับปิติอยู่กับความสุขสว่างร่อยู่ขยับจากนั้นไปอีกเหลือแต่ความสุขขยับจากนั้นไปอีกเหลืออุเบกขากับความอุเบกขากับเอกขาตาคืออารมณ์มันเดียวอ่ะอุเบกขาคือความบางเฉยไม่มีกิริยาอาการสว่างรอ่อยู่หนึ่งเดียวอยู่นั้นอ่ะจะสงบมากจะสงบอะไรก็แล้วแต่ เราพยายามทำให้ได้รักความสงบอยู่อย่างนี้มันสงบเพราะอะไรเพราะตัณหาสงบตัณหาไม่แสดงกิริยาการมาก่อกวนมาเป็นวิบากทับถมเพิ่มพูนทวีคูณในหัวใจของเราแค่เราอยู่กับตัณหาไม่ให้ตัณหาใหม่เกิดขึ้นมาอย่างนี้ตัณหาเก่าที่มันมีอยู่ดั้งเดิมมันจ ะ, ะจค่อยๆเริ่มเร่าร้อนในหัวใจของเราแล้วนี่เพราะฉะนั้นสมถะสามารถสงบตัณหาเหล่านี้ให้อยู่กับที่ได้ แต่จะชะจะล้างจะตัดให้ขาดได้ด้วยอํานาจของปัญญาครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เจริญทั้งสัมมัและวิปัสนาหลงตาท่านให้ทําความเพียรไปเอา้าระยะนี้ทําความสงบพอสงบได้รับความสงบเต็มที่จิตอิ่มตัวกับความสงบท่านให้อามาพิจรารณาการพิจารณาก็คือใช้พิจารณาคนา้นคว้าดูอํานาจของความหลงของเราเองจิตของเรานะี่ยมันหลงหลงสังขารของเราเนี่ยแหละหลงรูปสังขารหลงนามสังขารเนี่ย มันหลงตัวเองนะเราสังเกตดูไวทิความหลงก็คือโมหะโมหะคือความหลงมันหลงตัวเองหลงสังขารของตัวเองเราใช้จิตที่สงบนี่แหละเป็นอิสระเสรีเป็นตัวของตัวเอามาพิจารณาเมื่อก่อนนั้นจิตไม่สงบถูกอําถูกกระแสของอานาจมันพัดไปดึงมาให้สงบมันก็ไม่อยู่มันดิ้นไปดึงมาให้มันอยู่มันสงบมันก็ดิ้นไปต้องค่ยเย่อกันอยู่นี่แหละ ในที่สุดก็สู้อํานาจของธรรมะไม่ได้จีก็จะเยื่มเริ่มอยู่จีก็จะเริ่มสงบหาสงบได้ด้วยอุบายของปัญญาของไข่ของเราบางคนก็ได้ด้วยวิธีนั้นบางคนก็ได้ด้วยวิธีนี้ได้คนละวิธีได้มาเพื่อความสงบแต่มีผลอันเดียวกันคือความสงบเพราะฉะนั้นท่านจะบริกรรมอะไรก็ตามแต่อ่าท่านไม่ต้องไปสงสัยว่าอันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้หรือเปล่า พรู้ที่เจ้าสอนไว้ก็ตามพระรเจ้าไม่ได้สอนไว้ก็ตามอารมณ์อะไรอะไรอะไรก็ตามที่เราเอามาทําให้ได้รับความสงบจิตท่านสงบไหมเอาความสงบเป็นเกณฑ์สมถะเกิดขึ้นในหัวใจของท่านแล้วอสักหน่อยหนึ่งจิตก็จะเริ่มมีกําลังจิตจะเริ่มมีพลังเอาจิตที่สงบเป็นอิสระเสรีนี่แหละมาพิจารณาทําลายความหลงของจิตจิตมันหลงหลงกองสังขารหลงกองสังขารรูปของตัวเอง แล้วก็ยึดว่ารูปกายนี่เป็นเราว่าเป็นของของเราว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราที่จะเรียกว่าสักกายะทิฏฐิทิฏฐิทิฏฐิมันเกิดขึ้นที่จิตทิฏฐิคือความนึกความคิดภายในจิตนนึกคิดกําหนดจดจ่อว่าเป็นกายเราเป็นกายของของเรายึดมั่นถือมั่นเหลือเกินว่ากายเรากายของของเราทิฏฐิมานะทั้งหลายทั้งปวงที่มันตามมาเป็นเหตุมาก่อปัญหาวุ่นวายยุ่งยากให้พวกเราแก้ไม่จบไม่สิ้นอยู่ใน บ้านในเมืองในครอบครัวของเราอยู่ทุกวันนี้ในกิริยาอาการของตันหาผิวเผินที่อยู่ภายนอกเราไม่เคยย้อนลึกเข้าไปถึงต้นตอของมันในภายในเราไม่เคยย้อนไปเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นที่ที่ที่เกิดของมันเราเห็นแต่กิริยาอาการข้างนอกของมันนี่ทําลายความหลงเนี่ยมันยึดถือว่ากลายเป็นเรากลายเป็นขอ ง, ของเราท่านให้พิจารณาเป็นไง ให้พิจารณาเห็นเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟโอ้รู้สึกว่ามันดึงจิตยากเหมือนกันนะนะแต่ต้องทําซ้ำซากต้องทําบ่อยครั้งต้องทำซ้ำซ้ำซากซากทําอยู่อย่างนั้นแหละพิจารณาเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟหัดพิจารณาแยกแยะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังให้เห็นว่าเหตุปัจจัยเพื่อนาำเพื่อรูปธรรมก็คือสิ่งเหล่านี้มาจากอะไร ร่างกายของเราได้มาจากพ่อจากแม่โครงสร้างได้มาจากพ่อจากแม่มีของเราไม่มีของเราสักหยดเลยไปเกิดในท้องแม่มีใครเอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่มีไหมไม่มีตอพอ่พอเวลาเราออกมาแล้วอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาอนะันนั้นก็เราอันนี้ก็เราบางคนทิฏฐิมานะจนฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มีถึงขนาดนั้น น, นนะนั่นไม่รู้ว่าตัวเองไปแบ่งมาจากพ่อมาจากแม่โครงสร้างทั้งหมดเป็นของพ่อของแม่ พ่อไม่เอามาอย่างไหนก็มาจากดินน้ําลมไฟของท่านนั่นแหละเรามาอาบัตตามกระแสของกรรมที่ทําให้เกิดเกิดเป็นมนุษย์มีรูปธรรมและก็มีนามธรรมมีกรรมติดตามเข้าไปด้วยพอจะได้รูปสมบัติที่เป็นมนุษย์ก็มาอาบัตในท้องมนุษย์ไม่พอจะเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดในท้องสัตว์สูงมากไปกว่ามนุษย์ก็เป็นเทวดาเป็นอะไรละเอียดลึกสูงขึ้นไปโดยลําดับตามพบตามภูมิตามชั้นที่เราสั่งสมอบรมมา มันก็เป็นอยู่อย่างนี้อัตภาพร่างกายของเราไม่มีคุณสมบัติพอจะเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นสัตว์นะมันก็มีอยู่อย่างนี้มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นมนุษย์ก็ถึงได้พอมาเป็นมนุษย์ได้สักแต่ว่าพอเป็นมนุษย์ได้สักแต่ว่าเป็นมนุษย์ชั้นกลางมีสติมีปัญญาเพื้นๆธรรมดาเป็นขั้นอัจฉริยะมนุษย์มนุษย์มีภูมิรู้มีปัญญามีความสามารถแพรวพราาทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ แค่คุณสมบัติของมนุษย์มันก็ไม่เหมือนกันและมันไม่เท่ากันมันสังสมอบรมมาไม่เท่ากันนี่เราใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้เราจะเราก็จะเริ่มเห็นที่ไปที่มาของรูปธรรมที่ไปที่มาของรูปธรรมที่ไปที่มาของนามธรรม <c oughs> เราเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างที่ทกล่าวนั่นแหละว่าเหตุปัจจัยข้ามายคือดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟจริงหรือเปล่าดินน้ำลมไฟ และสังขารเหล่านี้มันทํางานบดขยี้ตัวเองทุกระยะทุกเวลาไม่เคยนิ่งไม่เคยหยุดอยู่กับที่ไม่เชื่อเราใส่ไปสามสี่ชั่วโมงเมื่อเช้าเนี่เราใส่อาหารเข้าไปร่างกายของเรามันก็ไปบดไปย่อยมันก็เริ่มเริ่มขับเริ่มย่อยอันไห น, นอันไหนส่วนไหนส่งไปเป็นนู้นเป็นนี้เป็นกระดูกเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเส้นเป็นเอน็นเป็นอะไรมันก็ส่งไปหล่อไปเลี้ยงไปอะไรกระจายอย่างนั้นเป็นโรงงานไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ เวลามันเสื่อมไปมันปวดไปหิวแสดงกิริยาความหิวเราเอ า, าธาตุดิบใส่เข้าไปอีกแล้วอาหารข้าวปลาอาหารเราใส่เข้าไปอีกแล้วมันก็บดย่อยขยี้อยู่งนั้นเลยใส่เข้าไปบดย่อยขยี้อยู่งนั้นนั่นคือเหตุคือปัจจัยเราดูให้เห็นเหตุปัจจัยและที่ไปที่มาของกายหยาบหยาบอย่างนี้เราเราเราก็จะพิจารณาเข้าไปว่าเออเราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราว่าเป็นอัตตาตัวตนของเรา แท้ที่จริงถ้าเรามาเห็นเหต evet, ุเห็นปัจจัยอย่างแท้จริงแล้วโอ้มันเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟอไอตัวที่ว่าเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟกับไอตัวที่ตําบริรู้ว่าเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟอ้าวมันเป็นคนละอันกันนี่นะตัวที่มาพายิทยพายถือคือคืออะไรคือคือเจ้าตัณหาใ น, นหัวใจนี่เองใจมันยังไม่ดีใจมันยังไม่บริสุทธิ์ <remembering. S 1> ใจยังติดยังข้องยังผูกยังพันอยู่เอาละมาก็เลยมาเห็นสามารถทําลายทิฏฐิตัวนี้ได้เพราะไปเห็นเหตุเห็นปัจจัย ง่ายๆตื้นๆนขณนะนี้เข้าถึงกระแสรธรรมเข้าถึงกระแสรธรรมที่เริ่มจะรู้เข้าไปถึงหลักของธรรมกระแสของธรรมสามารถทําลายทิฏฐิได้สกาทิฏฐิวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยที่จะยุดที่จะถือข้อประพฤติปฏิบัติเพราะเห็นช่องทางสว่างโรูด้วยตัวของตัวเราเองมันเห็นข้อปฏิบัติในตัวของตัวเราเองแล้วพอมาถึงขั้นนี้แล้วเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ปรากฏชัดเจนเจ็มแจ้งในหัวใจของเราก็คือสัก สัจธรรมนี้เราสามารถดูให้เห็นได้อันิีจังทุกขังอนัตตาดูให้เห็นเป็นประจัจจปยานในหัวใจของเราได้นี่สัจธรรมตัวนี้มาปรากฏขึ้นมาแล้วมีความรู้มีความเข้าใจเกิดความรู้เกิดยานเกิดญาณทัศนะที่เรียกว่าทั้งรู้ทั้งเห็นปรัจจปยานชัดเจนแจ่มแจ้งในหัวใจของเราสามารถทําลายทิฏฐิที่ว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา ความเรียวแรงด้วยพลังยึดถืออันนี้มันก็เบาไปเบาไปมันยังไม่ถึงที่สุดแต่มันก็เบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยทําลายตัวนี้ได้อ่าทําลายความยึดถือแร่งด้วยเหตุอย่างนั้นอย่างนี้เช่อนอย่างพวกอเอขาบําเพนตะปะขาปําเพนตะปะนั่นแนหะเขาทําทุกข์กิริยาอันนั้นก็คือศีลปะตะปรามาตรลูกคลมศีลไม่รู้ข้อปฏิบัติที่แท้จริงว่าคืออะไร ไม่มีความดิ่งที่จะไปดูหลักสักจธรรมที่แท้จริงคืออะไรเป็นอะไรเป็นไปเพื่ออะไรเป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยยังไงไม่มีที่รู้ไม่มีที่ไม่มีที่เข้าใจตีบตันด้วยสติตีบตันด้วยปัญญาเราหัดใช้ปัญญาพิจารณามาตรงนี้อืมเราให้ตัณหาของเราสงบระงับได้ด้วยอํานาจของสมถะตราบใดที่จิตของเราสงบนั้นตัณหาในหัวใจของเราก็สงบระงับเมื่อสงบระงับแล้วก็หันมาพิจารณาให้เกิดปัญญา การหัดพิจรารณาให้เกิดปัญญานั้นถ้าเราจับอันนั้นไม่ได้ให้เราจับในหลักมหาสติปัฏฐานก็ได้ในการพิจารณาทางด้านปัญญาจับพิจารณาทางด้านมหาสติปัฏฐานมันจะเข้าหลักปฏิจจสมุปบาทเราจะรู้ขับรู้ย้อนย้อนย้อนเข้าไปดูถึงเหตุถึงปัจจัยเหมืนอนย้อนย้อนย้อนย้อ น, อ น, อนดูความอยากเอ้าอยากความอยากมาจากอะไรมาจากเวทนามาจากพัสสะมาจากตามาจากหู ปัญหามันจะเกิดขึ้นมาเป็นระลอกระลอกะลอกมันทําให้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยส่งกันเป็นช่วงเป็นช่วงไปช่วงแท้ที่จริงก็ทํางานชึบเดียวถึงกันหมดอ่าแต่ถ้าหากเราไปไล่มันจะเป็นระลอกแบบนี <ำ helped S 2> ้แหละเป็นระลอกเป็นระลอกเป็นรลอกเหมือนลูกโซ่แต่ถ้าการทํางานด้วยอํานาจของกิเลสมันทํางานชึบเดียวถึงกันหมดเพราะฉะนั้นการเข้าไปรู้ทำชึบเดียวก็ถือว่าตัดกันได้หมดเนี่ยการที่เข้าเราเข้าไปรู้เราเข้าไปเข้าใจและเขเส้นสายเข้ามัน เราจะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจตามเส้นตามสายเป็นอย่างนี้เราตั้งใจพื้นตั้งใจปฏิบัติไปอยู่อย่างนี้ถ้ากเราจะเจริญตามหลักหมหาส ต, ติปัฏฐานเราก็มากำหนดดูกายที่เช่นอย่างเรากำหนดเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูลมหายใจเราไม่ต้องดําริพุทธโธพุทธโธเราก็ดูได้ดูลมหายใจเข้ายาวก ร, รุบยาวสั้นก ร, รุบสั้นดูไปที่ลมแล้วก็ดูมาที่พูท ด, ดูลมมันมีพูท ด, ดูลมต่างหากผู้รู้ว่าลมยาวลมสั้นมีอีกต่างหาก ดูไปที่ลมแล้วก็ดูมาที่ผู้รู้ว่าเป็นลมที่เรียกว่าพอรู้ดูมาที่ผู้รู้ว่าเป็นลมก็คือดูมาที่จิตย้อนมาที่จิตดูไปที่กายลมนี้เป็นกายะดูไปที่กายแล้วก็ย้อนมาที่จิตย้อนมาที่จิตแล้วก็ย้อนไปที่กายอย่างลูงตาท่านจับเวทนาให้เรามาพิจารณาเวทนาเรานั่งนานนานนี่เราปวดเรานั่งเราเรานั่งนานนานแล้วเราปวดเราปวดนี่เราไม่พลิกเราไม่เปลี่ยน เราไม่คลิกเราไม่เปลี่ยนเอาเวทนาตัวนี้หลยเป็นตัวมัดเราขยับจากกายมาเป็นเวทนามาดูเวทนาดูความเจ็บความปวดท่านให้เอาผู้รู้ของเราเนี่ยไปเจาะตรงที่มันเจ็บมันปวดดูไปที่จุดที่มันเจ็บมันปวดเช่นอย่างที่ตะโพกที่เอวเงี่ยที่หัวเขา่าที่ตรงไหนก็นแล้วแต่ที่เรานั่งนานๆแล้วมันเจ็บมันปวดอืมดูไป ดูไปตรงที่มันปวดแล้วก็ดูไปที่กิริยาที่มันปวดที่เป็นทุกขเวทนาไอ้ผู้ที่เป็นทุกขเวทนาก็เป็นผู้หนึ่งไอ้ผู้ที่รู้ว่าเป็นทุกเป็นอีกอันหนึ่งมันมันหากมีความแยกเข้าไปในตัวเราหัดพิจารณารู้แล้วมันจะแยกเข้ามันเองดูไปที่ที่ร่างกายร่างกายปวดเอ้ร่างกายมันปวดจริงไหมร่างกายมันก็ไม่ปวดดูไปที่เวทนาเวทนาในเมื่อร่างกายมันขัดข้องมันก็เกิดเจ็บเกิดปวดขึ้นมา เวทนามันก็ไม่ได้ทุกข์กลายมันก็ไม่ได้ทุกข์แต่กลายเป็นผู้ที่ไปรู้นี่แหละมันเป็นผู้ทุกข์เพราะอะไรเพราะมันหลงไปยึดนะมันยึดเพราะอะไรยึดเพราะตัณหาแทรกเข้าไปมันโอ้ตัวพวกเราเจ็บทั้พวกเราปวดโอ้หัวเข่าเราปวดโอ้เอวเราปวดอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมามันก็เลยทําให้การยึดการถือที่ริวาเมื่อตัณหามันโผล่ขึ้นมาอุปาทานมันก็โผล่ขึ้นมามันยึดยึดยึด ยิ่งยึดเท่าไหร่มันก็ยิ่งปวดยิ่งยึดเท่าไหร่มันก็ยิ่งปวดยิ่งยึดเท่าไหร่ก็ยิ่งปวดยิ่งอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาทีใดเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ยิ่งปวดแต่ถ้าหากเราดูสักถทาว่ารู้สักเท่าว่าเวทนาสักเทาว่าเวทนาถ้าหากเราจะเปรียบเวทนาว่าเวทนาเป็นไฟเป็นกองไฟเราเอาผู้รู้ของเราเนี่ยแทะเข้าไปอยู่ท่ามกลางกองไฟลองลองลองแทะเข้าไปดูอืจะแล้วเราย้อนก็ไปย้อนก็มาย้อนก็มาย้อนก็ไปเราจะเห็นเจ้าเห็นจอมเห็นเจ้าของของมัน ที่มันคอยยึดถือคอยจับคอยจองว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาก็คือเจ้าตัวเดียวนี่แหละตัวเจ้าตัวจอมของวัฏสงสารเจ้าตันหาตัวนี้แหละหามันแสกแทกเข้ามาทีไรเมื่อไร่อัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไหรมันก็ยิ่งมันมารุมให้เราเจ็บให้เราปวดปวดอดไม่ได้ทนไม่ได้ต้องพลิกต้องเปลี่ยนต้องอะไรต่ออะไรกลายเป็นเวทนากับจิตเนี่ยเป็นอันเดียวกัน ท่านให้ดูเพราะดูไปแล้วมันจะแยกเข้ามันเองดูกายสักเท่าเป็นกายใช้สติเป็นตัวกลางกลาเป็นเครื่องมือสนับดูดูเวท น, าเ ว, น า, วาเวท น, น, นาสักว่าเป็นเวทนาดูไปให้ชัดเจนเวทนาสักว่าเป็นเวทนาจริงๆระ ง, งับตัณหาไม่ให้มันเกิดระงับวิธีนี้มันเป็นระงับด้วยวิธีวิปัสนาคือใช้สติกําหนดจดตจ่ดูในขณะปัจจุบันทันท่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือกําหนดให้จิตมันสงบละเอียดลงไป โดยไม่ได้ตามดูกิริยาอาการให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวตัดความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจออกให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวในในแง่ของส ม, มถะแต่ถ้าหากเรามาเริ่มพิจารณาเรามาจับตามหลักมหาสตรีประธานเราสามารถทําได้ทุกอิริยาบถ ท, ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนแม้แต่เรานั่งภาวนานา น, า น, านเจ็บปวดขึ้นมาเราก็พิจารณาได้เลยเป็นเวทนาเวทนานุปัสนาตามกําหนดจดจอด่อดูเวทนา เวทนาเป็นเราไหมเราเป็นเวทนาไหม mm hmm. เวทนาเป็นเราไหมเอ๊ะพูดที่ว่าเวทนาเป็นเราเพื่ออะไรเราเป็นเวทนาเอ๊ะผู้รู้ว่าเราเป็นเวทนาคืออะไรดูย้อนมาย้อนมาย้อนมาในขณะที่เราทํางานอยู่อย่างเนี้ยตัณหามันแทรกเข้ามาที่จิตของเราไม่ได้ตราบใดที่มันสติสมิธัญญาปัญญาของเราหมุนไม่ทันหมุนไม่พอตัณหามันแทรกเข้ามามันก็ยึดทันทีโอ๊ยเราเจ็บโอ๊ยเราปวด มันก็ยิ่งปวดยิ่งทวีคูณยิ่งรุนแรงยิ่งเลืออดเลือทนเลื้อแบกเหลือหามอืมเจ้านานก็พลิกให้มันเจ่านายก็เปลี่ยนให้มันเพราะตัญหามันแทรกเข้ามาทีไรเมื่อไหรอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาทิฏฐิมรณะสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราว่าเป็นของของเรามันก็โผล่ขึ้นมานี่คือเส้นสายที่เกิดของมันมันมาอยู่อย่างนี้วิธีการต่อกก่อนที่จะเข้าไปสู่กันจะต้องไปอาศัยอาศัยวิธีการเหล่านี้เนี่ยเป็นชัยเป็นสมรภูมิที่เข้าไปรู้กัน ที่จะเรียกว่าหลักมหาสติปัฐานะเอาสติเป็นบาทเป็นฐานเพราะสติตัวนี้คืออะไรสติตัวนี้ก็คือ อ, ว ค, อ, อความระลึกของจิตจิตของเราเนี่ยมีความรู้ชัดที่สุดโรู้ที่สุดในขณะปัจจุบันทันด่วนชัดที่สุดน่ะตัวนั้น่ะคือสติฮะมันจะเปลี่ยนเป็นขณะยับยับยับมันเปลี่ยนไปเรื่อยบางทีมันก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์อารมณ์ข้างนอกอารมณ์ข้างในมันเปลี่ยนไปเรื่อย แต่เราตั้งความกำหนดจดจอ่อลองพิจารณาลองดูเราจะทําให้เขาได้งานทําเราพิจารณาดูอยู่อย่างนี้แหละเพื่อไม่ให้ตันหามันแทรกเข้ามาอ่าเมื่อตันหามันเริ่มไม่แทรกเข้ามาแล้วก็หัดพิจารณาดูอัตตาตัวตนที่มันติดอยู่ที่รูปติดอยู่ที่เวทนาที่สัญญาที่สังขารที่วิญญาณเวทนากรสับกระสเวทนาเราพิจารณาไปแล้วมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมันเป็นเครื่องต่อระหว่างรูปกานาม สัญญา <S <S> <S ก็เป็นเครื่องต่อระหว่างรูปกับนามสังขาร <S <S <S เครื่องปรุงของจิตปรุงดีปรุงชั่วแล้วก็ปรุงไม่ดีไม่ชั่วแต่มันก็ยังเป็นกองสังขารอยู่นั่นแหละ <S <S <S สังขารสังขารจิตปรุงดีจิตปรุงไม่ดีจิตไม่คงที่จิตพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงกันไปอยู่เรื่อยแต่เวลามันทำงานมันจะมันจะเป็นก้อนเดียวกันเป็นแท่งเดียวกันเป็นอันเดียวกันเราจะไปแยกกันแทบไม่ออกเวลาเราเราต้องการทราบแล้วก็มามา มันมาพลิกมาเปลี่ยนมามแยกมโออันนั้นเป็นั้นอันนั้นเป็นนันอันนั้นเป็นนั้นมันเป็นไปหมดโออันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ใชัยเวลามันทํางานมันสัมผัสสัมพันธ์กันไปหมดเพราะการทํางานก็คือใจดวงเดียวแต่ถ้าหากเราจะไปพิจารณาไปคิดเหมือนหลักอริธรมมันจะเป็นเหตุให้เรางงสับสนไปหมดแหละอันนั้นเท่านั้นดวงอ้วนนั้นเท่านั้นดวงนั้นเท่านั้นดวงไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไปไล่ชื่อก็ไปตีกันซะอีก อันนั้นผิดกับอันนี้อันนี้ผิดกับอันนั้นแหมดูมาที่ผู้รู้ภาคปฏิบัติเราดูมาที่ผู้รู้ผู้เดียวเนี่ยแล้วก็มาทํางานอยู่ที่ที่เดียวจุดเดียวเนี่ยมันจะกระเทือนกันไปหมดในระหว่างที่เราอบรมเราต้อนไปต้นมาสลับไปสลับมาพิจารณาไปพิจารณามาด้วยอํานาจของธรรมมันเป็นตะปะธรรมตะปะธรรมนี่มันจะแผดเผาแผดเผาอะไรแผดเผาเกลเลดในหัวใจของทเราแผดเผาไปเรื่อยเหือดไปเรื่อยแห้งไปเรื่อยเหือดไปเรื่อยแห้งไปเรื่อย ไอ้แค่เราต้อนจิตไปให้ได้รับให้ไดอยู่กับความสงบจิตของเราเขาจะเริ่มเหือเริ่มแห้งจิตจะเริ่มเหือเริ่มแห้งไปอ่าจิตเริ่มเหือเริ่มแห้งอะไรเหือแห้งไปกามทั้งหลายทั้งปวงในหัวใจของเรามันจะเริ่มเหือเริ่มแห้งไปกามตันหานี่ไหมเป็นเรื่องของตันหาอีกเพราะวะตันหากามตันหานพระวะตันหาวิภวะตันหาอืมกามตันหานพระวะตันหาวิภวะตันหาตันหาคือความอยาก มันจะเป็นการมตัญหาเพราะว่าตัญห า, า, ร ห, าหรือวิภว่าตัญหาเราไม่ต้องไปแยกแยะหรอกแต่ถ้าเรารู้จักความอยากภาคปฏิบัติเราจะรู้จักความอยากมันจะเข้าใจไปเองว่าการมตัญหาคืออะไรเพราะว่าตัญหาคืออะไรวิภพว่าตัญหาคืออะไรไม่สนเลยมันจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าจะอะไรอยากขึ้นมาจับอะไรอยากขึ้นมาจับอะไรอยากขึ้นมาจับในสุขมันเร่าร้อนมันร้อนเมินมันถูกแผดเผาถูกตะปะทำแผดเผา เราพยายามเผาเรื่อยๆเหมือนกับจิตของเราเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนกับไม้สดอ่าเราจะเอาไม้สดอันเนี้ยไปทําให้เป็นไม้แห้งเพื่อที่จะได้ไปสีให้เกิดไฟอ่าแล้วก็แล้วก็ไปเผาไปย่างไปตากไปอะไรต่ออะไรให้ไม้สดมากลายเป็นไม้แห้งเรามาเผาอย่างเงี้ยเผาไม่ให้ตันหามันมาแทรกมาซึมเข้าสู่หัวใจของเราเส็จแล้วเขคอยมาขุดมาคุ้นมาคุยคอยมาขุดมาคุยดูเพื่อให้ธรรมะส่วนละเอียดมันเกิดขึ้น ก็เหมือนอย่างไม้แห้งที่เราแช่อยู่ในน้ำเราเอาขึ้นมาจากน้ำเรามาตากจนเหือดแห้งไปแห้งไปยางเหือดไปแห้งไปความเปียกของของไม้น่ะเหือดไปแห้งไปเหลือแต่ไม้แห้งๆเหลือแต่ไม้แห้งๆนั้นแล้วก็มาสีให้เกิดไฟสีไปสีไปสีไปต้องอาศัยความภาคความเพียรเหมือนกันสีไปสีไปแล้วก็หยุดสีไปสีไปแล้วก็หยุดสีไปซีไปแล้วก็หยุด ไม่มีโอกาสที่จะเสียเสียให้เกิดเป็นไฟขึ้นมาได้เพราะเราหยุดเหมือนเราทํางานนี่แหละเราทำหยุดเราทําหยุดเราทําหยุดะวันสองวันเราก็ทำสิบวันยี่สิบวันเราหยุดอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไรความร้อนจะเกิดขึ้นที่จะไปแผดเผากิเลสได้ถึงแม้ว่าเราจะเจริญอริยมรรครู้จักข้อนั้นรู้จักข้อนั้นรู้จักข้อนั้นแต่เราหย่อนยานด้วยวิธีปฏิบัติขัดเกลาเหมือนกับเราสีมาให้เกิดไฟนี่แหละสีไปสีไปสีไปแล้วก็หยุดอ่าในระหว่างที่เราหยุดมันก็เย็นแล้ว เริ่มสีอีกเริ่มสีเริ่มสีสีไปสีไปสีมันก็เริ่มร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนสักหน่อยหนึ่งหยุดหยุดก็เย็นไปอีกแล้ววิธีการที่ถูกต้องหมายความว่าทําอย่างต่อเนื่องสีไปสีไปสีไปยิ่งร้อนเข้าไปยิ่งร้อนเข้าไปยิ่งร้อนเข้าไปยิ่งขยับเข้าไปหน้าอยู่เลยไม่หยุดยิ่งทําหนักเข้าไปทําทุกขณะจิตทําทุกขณะจิตขยับไปทุกขณะจิตเหมือนกับสีไม้อ่ะมีสัญลักษณ์บอกว่าโอ้ไฟจะเกิดขึ้นแล้ว มีควันมีควันมีสั ญ, ญลักษณ์บอกควันเกิดขึ้นแล้วขมเหลาดำๆเกิดขึ้นแล้วฐานแดงๆเกิดขึ้นแล้วขยับเข้าไปเอาปากเป่ามันร้อนเต็มที่อ่ามันร้อนเต็มที่มีฐานแดงๆปากเป่าเป็นเปลวฟุ้กขึ้นมาใช้เราดูไม้ที่เราไปเสียบสีกันกับเราดูผลปรากฏของไฟที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเราใช้ปัญญาของเราใช้สมาธิใช้ปัญญาเราทํางานครับ เขี้ยวอยู่นั้นอะ่ะจะชาเท่าไหร่จะนานเท่าไหร่จะเร็วเท่าไหร่แล้วแต่ความอุตสาห์พยายามความภาคความเพียรของเราแล้วแต่บุญญาบา ร, รมีที่เราสั่งสมอบรมไปทําไปทําไปทําไปถูไปถูไปถูไปหนักหนาถูไม่หยุดถูไม่หยุดจนเป็นเชนลักไฟจนได้ไฟได้เปลวไฟได้ไฟใช้ใช้ปัญญานี่แหละทําทําไปทําไปทำไปทำไ ป, ำไ ป, ำไ ป, ำไปจนปัญญาญาณมันเกิด โจนยานมันทัศนะเมื่อเกิดเหมือนกับไฟมันเกิดเป็นเปลวขึ้นมาแล้วเราได้ไฟใช้อันนี้มันเป็นข้ออุปมาเอามาเทียบที่การประพฤติปฏิบัติของเราเราเป็นประเภทถูหยุดถูหยุดถูหยุดหรือเราจะเป็นประเภทถูหนักหน้าเข้าไปเรื่อยจนได้ไฟใช้แต่อันนั้นท่านไม่สงสยัยอันนั้นนะ่ะท่านไม่สงสัยแหละผู้ที่ท่านทําให้หนักหน้าเข้าไปเรื่อยจนได้ไฟใช้ท่านไม่สงสยัย แต่สำหรับผู้ถูหยุดถูหยุดถูหยุดนี่แหละยังสงสัยเมื่อไรจะเกิดเมื่อไรจะเกิดยุดอีกแล้วอ่าคิดได้มันทําอีก <im itation> แล้วแต่ก็ต้องผ่านขั้นต้องผ่านขั้นความสงบมาแล้วถ้าจิตไม่ได้รับความสง บ, บมันไม่มีกําลังการได้รับจิตให้ได้รับความสง บ, สงบคือจิตเอาจิตของเราเนี่ยออกจากกามตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงจิตวิญญาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นกามเป็นเรื่องของกามเอาจิตของเราออกจากกาม ถ้าเรายังเอาจิตของเราออกจากกามยังไม่ได้เราไปขัดไปสีธรรมะข้างในให้เกิดขึ้นให้เจริญขึ้นมันไปได้ยากเพราะฉะนั้นอ ย, อย่างน้อยพื้นพื้ น, นเราจะต้องมีความสงบเพราะฉะนั้นท่านจะให้ตะล่อมมาทางก็ตะล่อมเข้ามาศีลก็ตะลอมมต่อมเข้ามาต้งรวงระมัดระวังเข้ามาจากนั้นแล้วก็ความสงบความสงบนี่เราสงบแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่เหมือนกับว่าเราเอากามออกจากใจเอาใจของเราออกจากกามบุรุษ ยังไม่เอากายออกจากกรรมยังไม่เอาจิตออกจากกรรมทําความเพียรด้วยเรี่ยวแรงนะพุทธิเจ้า ต, ตั้งทรงตรัสทําความเพียรด้วยเรี่ยลแรงเน็ดเหนื่อยเปล่าแต่คําว่าเน็ตเหนื่อยเปล่าไม่ใช่ว่าไม่มีวิบากกรรมนะมีวิบากกรรมแต่จะเป็นเหตุให้ได้เปลวไฟขึ้นมาได้ใช้เลยมันเป็นภัยไม่ได้มันได้อยู่ได้ยุ้มๆยิ้มๆได้พออิม่มอกอิ่มใจได้พอได้เป็นกําลังใจเท่านั้นเอง แต่ก็ต้องมาจากความสงบของจิตยิ่งเราจิตของเราก็ไม่สงบไม่พยายามยกจิตออกจากกามด้วยแล้วเรายิ่งทำให้เป็นไปได้ยากถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับเอาไม้สดๆนอกจากนั้นแล้วก็ยังไม่พอไม้สดๆด้วยแล้วยังชุ่มแล้วก็ยังแช่อยู่ในน้ำอีกเอาไปเสียเกิดไฟไฟกับน้ามันเป็นปฏิ ป, ปักษ์กันมันเป็นปฏิ ป, ปักษ์กันโอกาสที่จะ ติดเป็นเปลวไฟขึ้นมานะมันติดเป็นเปลวไฟขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นกายออกจากรามจิตออกจากรามหมายความว่าไม้นั้นต้องแห้งไม้นั้นจะต้องแห้งแห้งแล้วก็ตามถ้าเราไปถูหยุดถูหยุดถูหยุ ด, ยดโอกาสที่จะเป็นเปลวไฟขึ้นมามันก็เป็นไม่ได้ต้องถูสม่ำเสมอแล้วก็หนักหน้าเข้าไปเรื่อยครูบาอาจารย์ท่านจึงว่าเดนตายเดนตาย คนเราเวลามันเดินตายเวลามันเดินตายจะเข้าถึงขั้นใดขั้นหนึ่งเด่นตายเด่นตายมันเดินตายตรงนี้แหละเหมือนกับเปลวไฟมันกําลังจะติดแล้วเนะี่ยขยับเข้าไปจะติดไม่ติดไม่ติดไม่ติดหยุดเคยหยุดแล้วมันเย็นเย็นแล้วมันหายไปแล้วโอ้ยต้องขัดสีใหม่กว่าจะเกิดเป็นทันแดงๆขึ้นมาอีกพอมาถึงขั้นนี้แล้วหยุดไม่ได้หยุดม่ได้ขยบับขยับไปกันได้ไฟฉายฟึบได้เปลวไฟได้ไฟใ ช, ฟ Play fire, ฟใช้นี่แหละที่เท่าเรียกว่าเด่นตายเด่นตายท่านขยับเอาตรงนี้ ขยับเอาไอ้ตรงนี้จะติดไม่ติดจะติดไม่ติดน่ะไม่ได้ตายไม่ตายให้ได้ไม่ได้ตายไม่ตายให้ได้เอาแลกเป็นแลกตายเอาชีวิตเสียงเป็นเสียงตายท่านว่าเหลือถ้าว่าเหลือเดนตายเหลือเดนตายตรงนี้เหลือเดนตายตรงนี้มีกายยังไม่ออกจากกามมีจิตยังไม่ออกจากกามทําความเพลินทาความเพียนเหน็ดเหนื่อยเปล่ามีกายออกจากกามแล้วแต่มีจิตยังไม่ออกจากกาม ทำความเพียรก็เหน็ดเหนื่อยเปล่ามีกายออกจากกามเช่นอย่างเราไปอยู่วัดอยู่วาอ่าเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ขาวเป็นแม่ฉี่ไปถือศี 5, 8, หลห้าศีลแปดศีลอะไรอยู่วัดมีกายออกจากกามรไม่มีกายออกจากกามไม่มีครอบครัวมีกายออกจากกามแล้วแต่จิตคิดถึงเรื่องแต่เรื่องกามเหมือนกับไม้ที่เอาขึ้นจากเอาไม้เอาขึ้นจากน้ําอยู่บนบกก็แล้วก็ตามแต่ยังเป็นไม้สด ยังชุบด้วยยางอยู่เอาไปกัดขัดสีให้เกิดไฟก็ขัดสีได้ยากเราก็มาเทียบเอาข้อคิดว่าเรายังไม่ออกจากเรายังมีกายยังไม่ออกจากกามนี่แหละแต่เราพยายามทำใจให้ได้รับความสงบใจของเราได้รับความสงบทีไรเมื่อไหร่นั่นแหละคือจิตของเราจะเริ่มห่างออกจากกามจิตจะเริ่มสำรอกกามจิตจะเริ่มห่างออกจากกามความเยื่อใยในกามของเรามีน้อยทีีเรา เริ่มดำเนินมากไปขยับไปขยับไปขยับไปเรื่อยใช้ความสามารถขยับไปเรื่อย่อแล้วสังเกตสังกาตัวเองเข้าไปเรื่อยขยับไปเรื่อยๆทำได้ต่อเนื่องเข้าไปเรื่อยอจนจนจนจ น, จนมีความเปลือกบัตอัศจรรย์ในหัวใจของเราถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นเราถึงจะได้ผลผลจากสมุทแล้วก็ผลจากสิปัสนาอันนั้นคือผลปรากฏของธรรมะที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจ ฟังดูแล้วทําไมมันรู้สึกมันยากเย็นเหลือเกินนาะอนะฟังรู้สึกมันอยากเหย็นเหลือเกินเราอย่าไปทอ้อขอให้เราสงบระับอยู่กับปัจจุบันทันถั่วนีิเทะเราก็จะเริ่มสั่งสมอบรมตัวเองเข้าไปเรื่อยแค่เราประทะกันกับความอยากของตัณหาเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่โอ้เราได้กําลังไปได้อย่างมากมายเรากําหนดจดจ่อดูกายดูเวทนาดูจิตนี่แหละพิจารณาธรรมนี่แหละใช้สติใช้สัมชัสยัยกํากับอยู่ ไม่ให้อัดตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาตันหามันก็จะแทรกเราเข้ามาไม่ได้จากนั้นเราก็พิจารณาเพื่อทำลายความหลงของตัวเองเราเป็นกายกายเป็นเราเราเป็นเวทนาเป็นละเวทนาเป็นเราเราเป็นสัญญาสังขารวิญญาณสังขารวิญญาณเป็นเราหรือเป็นของของเราพิจารณากัะไปพิจารณากรรมาให้เห็นสิ่งเหล่านั้นสักทว่าเป็นธรรมชาติและก็เป็นเป็นผลขันทั้งห้านี้เป็นตัวผลนะมันมาจากเหตุ มันมาจากเหตุนี่มันได้ทั้งอุบายวิธีพิจรารณาถ้านในกําหนดพิจารณาผลแล้วก็ย้อนไปที่เหตุกําหนดไปพิพจารณาผลแล้วก็ย้อนไปที่เหตุเหตุก็คือสมุทัยนั่นแหละตามมาถามพระวา่าถาวิพว่าถามดูไปแล้วก็ไม่พ้นเจ้า ต, ตัวความอยากในหัวใจของเราตัวนี้ควรจะเป็นควรจะเป็นเป้าที่เราควรจะเล็งใส่เขาเลยเนี่ยกาหนดจด จ่อรูให้เขาอยู่ในสายหูสายตาของเราตลอดนี่คือการพยายามอบรมธรรมะให้เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเราดูไปแล้วมันเป็นการเป็นตะปะเผาหัวใจของเราให้เราร้อนให้ตัณหาเรานะมันร้อนจนสามารถเกิดไปแห้งไปจะคันสันดานตัณหามันดับตัณหาใหม่มันดับแต่ถ้าเราทําลายความลุ่มหลงแต่ละแต่ละปาะแต่ละปะแต่ละเปะได้ตัณหาเก่า ที่มันมีอยู่เดิมนั่นมันจะเริ่มเร่าร้อนมันจะเริ่มหดไปหา ย, ไป ห, ายไปหดไปหายไปหดไปหายไปตัณหาใหม่ไม่ไม่มีเราก็พยายามพยายา ม, มให้มันเกิดมันเข้าหลักประทานประทานสังวรประทานปหานประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานสังวรประทานก็คือไม่ให้ตัณหาใหม่เกิดอือยายามผานประทานไอ้ที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วพยายามปหานคือเอาออกพยายามละพยายามปล่อยพยายามวาง เราทําข้อใดข้อหนึ่งมันกระเทือนถึงกันหมดแล้วภาวนาประทานอย่างเดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธผลของความสงบก็เพิ่มพิจารณาด้วยมหสติประธานผลของสติของปัญญาของเราก็เพิ่มเป็นภาวนาประธานอ น, อนุรักษนาประธานผลเก่าที่เราเคยทําแล้วมีแล้วมันก็บวกผลเข้าไปเรื่อยเพิ่มเข้าไปเรื่อยเพิ่มเข้าไปเรื่อยก้อนธรรมของเราก็เริ่มโตขึ้นไปเรื่อยเริ่มโตขึ้นไปเรื่อยกําลังของเราก็เริ่มสะสมก็ไปเรื่อย อย่าลืมว่าถ้ากําลังทำเราไม่พอไม่พอกับกิเลสสู้กําลังของกิเลสไม่ได้ตราบใดกําลังกิเลสมากกว่ามันครองตราบใดกําลังทำของเรามากกว่าทำก็ครองโดยเหตุที่เราภาวนาประทานสังวรประทานไปในขณะเดียวกันอืมปะหารประทานเป็นไปในขณะเดียวกันเราทําอยู่อย่างนี้แหละมันก็เป็นการสั่งสมอบรมอบ่มอินทรีย์ของเราข้างในเป็นไปเรื่อยอยูขณะนี้ไม่จบ ทำไปเรื่อยๆทำไปต่อเนื่องเอาชีวิตนี้เป็นเดิมพันคําว่าไอชี้นี่เป็นเดิมพันหมายว่าทําจากนี้ไปจนตายบางนั้นเถอะอืมเพราะเราเห็นคุณค่าในการทํานอกจากนั้นแล้วถ้าหากเรายัางไปยังไม่พน้นอวัฏสงสารยังยังจะต้องเกิดแก่เจ็บตายเราจะต้องได้คติที่ดีได้สุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเราไปด้วยความสว่างสวายด้วยความปลอดโปร่งในหัวใจของเราเวลาปรโลก เต่เวลาไปมปรรโลกมาเยือนปรโลกเหล่านั้นก็สว่างโรโอให้กับดวงจิตของเราแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วเนี่ยหัวใจของเรามืดจึ๊บไม่รู้ประโลกไปไหนก็ไมร่รู้ตกอบายอาเวจีนรกที่ไหนยังไงเราก็ทราบไม่ได้แต่ถ้าเราดำรงอยู่อย่างนี้เราได้ตั้งแต่เรายัางไม่ตายความตายเราไม่กลัวแห่ะ<ไ>จะไปจะไปดีไปไม่ดีไปอะไรยังไงไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่วิตกมันไม่กงังวล เวลาอาสนกรรมใกล้เข้ามาอาสนกรรมใกล้เข้ามาเราก็พยายามดําริทําใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเรากรรมชั่วร้ายที่มันจะคอยแทรกสิ่งหัวใจของเรากระแทกไม่ได้เนื่องจากว่าเราเอากรำใหม่ของเราไปแทนที่อย่างแข็งแรงมั่นคงมันไม่สามารถจะมาทดแทนมาเข้าแทนมาใช้งานแทนเราได้ด้วยวิอุบายนี้ด้วยวิธีนี้ด้วยหนทางอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสามารถชําระชะล้างกิเลสหัวใจได้ แล้วก็สามารถวิมุตต์หลุดพ้นตักกิเลสไปได้อ่าเวลามันเกิดมันเกิดเกิดเกิดเกิดชึบเดียวมันเกิดตลอดถึงโสกภริตเทวะเวลามันดับชึบเดียวมก็ดับอวิชชาตันหาวปลาถามดับไปหมดดับดับดับตาดับกิเลสมันเกิดที่ตาตันหามันเกิดที่ตามันก็ดับที่ตาเกิดที่หูเกิดที่เสียงก็ดับที่เสียงแต่มันไม่ใช่ตาบอดเกิดที่หูมันก็ดับที่หูแต่ไม่ใช่หูหนวก ความอยากมันดับมันดับเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นอ่ามันดับดับมาตั้งแต่พอพอพอพอวิชาคือความรู้มันเกิดตัวตัวที่ทําให้เกิดความรู้คืออะไรก็คือ ส, ต, อญญ ต, สติคือปัญญาตัวสติคือปัญญายิ่งมีโรูอยู่ๆๆอยู่เท่าไหร่อวิชามันก็เหือดแห้งหายไปวิชามันก็เข้ามาแทนที่มันไปจําโรู้ในหัวใจของเราเอ่ในเมื่อมันโรูจนรู้ที่ไปรู้ที่ม า, ร, มารู้ดีละรู้ที่วางได้ ตัญหามันเกิดขึ้นไม่ได้ในเมื่อตัวรกรากมันเกิดขึ้นไม่ได้มันก็ดับดับดับดับชึกเดียมก็ดับเหมือนกันหมดแต่ตัวสายของสมุทรไทยตัวตัวตัวสายของปฏิจจสมุบบาทมันก็ยังเป็นหลักให้เราเทียบเทียงดูว่าโอ้ตัญหาไม่เกิดอันนัก็ไม่เกิดอันนัก็ไม่เกิดอันนัก็ไม่เกิดหมายความว่าตัญหามันไม่ส่งผลเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นรูปเป็นรูปเป็นนามเป็นภัสดะอ่าเป็นภัสนาเป็นเวทนา มันไม่มีตันหาสิ่งเหล่านั้นก็สักดิ์ที่ว่าเป็นเป็นโรงงานเป็นเส้นสายเป็นทางเดินของตันหาแต่ว่าเจ้าตัวตันห์มันดับไปแล้วเวทนาตันหาตันหาหมดอุปาทานมันก็หมดภพมันก็หมดชาติก็หมดอ่าภพหมดชาติหมดเราไม่จะเป็นจะต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกแต่ผู้รู้ของเราบริสุทธิ์นี่ยังโโรอยู่ไม่ใช่ผู้รู้เราดับสูญหายไปเลยไม่ใช่ผู้รู้ของเราเนี่ยกิเล่มันมาแทรกไม่ได้ มันถอนตัวถอนตัวถอนถอนถอนถอ น, ถอ น, ถอนมาเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์รอดหนึ่งเดียวไม่เป็นสองกับกิเลสไม่ปนเพื่อนกับกิเลสบริสุทธิ์หมดจดโดยผู้รู้หนึ่งเดียวนี่พระพุทธเจ้าท่านชะล้างของพระองค์จนบริสุทธิ์หมดจดพระอริยะสงสาวกท่านชะล้างจนบริสุทธิ์หมดจดถึงประมังสุ ข, ขังอันนี้เป็นหนทางเป็นวิธีที่ชาวพุทธเราพยายามจะตั้งอกตั้งใจบําเพ็ญตะล่อมเข้ามา อุตสาค์ขวนขวายตั้งอกตั้งใจทานก็อุตส่าห์พยายามตั้งใจรักษาศีลก็อุตส่าห์พยายามจัดนู่นทำนี้หวังต้องการผลต้องการอนิสงส์สิ่งที่เราทําทั้งหมดนั้นมีผลมีอนิสงส์ตราบใดที่เรายังเข้าถึงที่สูงไม่ได้ด้วยอํานาจของสติของปัญญาที่เราจะพึงมีเราเราเข้าถึงยังไม่ได้เราก็เป็นไปในวัฏสงสารอย่างมีมีความสุข อ, อย่างไม่ฝืดอย่างไม่เคืองพร้อมด้วยเหตุพร้อ ม, ด, อมด้วยปัจจัย แล้วก็ทําให้ดาเราได้ได้เกิดในที่ที่เราจะได้อํานวยรักษาศีลพระพุทธธรรมปฏิบัติธรรมได้อย่างสะดวกสบายเกิดในปฏิรูปประเทศอืมอย่าไปหวังอย่าไปหวังอ่าพระเสียริยะเมตไตรหวังพระเสียริยะเมตไตรตั้งใจด้วยเรี่ยวแรงให้สุดหมดเดอยู่นี่แหละถ้าเราไปไม่สุดจริงๆเราก็ต้องตกอยู่กับศาสนาของพระองค์แหะแต่ถ้าหาปล่อยตัวให้เละเทะเลหลวไหลไม่มีโอกาสที่จะพบจะเจอศาสนาของพระองค์แหละ เพราะศาสนาของพระเสียระยามไตรเป็นศาสนาของคนดีไปเกิดเราอาจจะไปไม่ได้ตั้งแต่นู่นกุกุสักุสันโธคนาขานลกัสโปคโคตโมก็ยังไปไม่ได้มันยังไปไม่ได้แต่เราไปไม่ได้แต่เราตั้งอกตั้งใจทำเรี่วแรงอย่างน้อยเหลืออีกองหนึ่งเราต้องได้ไปกับขบวนท่านแน่นอนเราไม่ต้องสงสัยเราทำอย่างนี้ก็สร้างกาลังใจให้กับเราเองแต่เราพยายามลิ้นรนให้สุดขีดหมดแดา บางทีบุญภาสนาที่เราเคยสร้างเคยทํามาเพียบพร้อมเห็นทุกเห็นทัเต็มที่เราก็สามารถผ่านไปได้พ้นไปได้ก็เหมือนอย่างในประเทศไทยของเราเราได้ยินได้ฟังองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นอะถ้าสามารถผ่านไปได้พ้นไปได้แต่ก็ต้องขัดสีสี ส, สีสีจนไฟลุกเล็บออกมาออริยธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้มีได้มีแต่เรียกว่าปัญญาปัญญาญานสามารถตัดกระแสเหล่านั้นให้ขัด ขาดไปได้ด้วยอำนาจของปัญญา